เอาน่ายอย่าซีเรียกเรื่องพ่อท่าวปลูกมะม่วงวันหนึ่งขณะที่พระราชาเสด็จออกเยี่ยมราษดรแถบชานเมือง และเห็นพ่อเท่าคนหนึ่งกำลังขุดดินจึงร้องถามว่านี่พ่อเท่าแก่ปู น, นี้แล้วมาขุดดินทำไมข้าจะปลูกมะม่วงพ่อเท่าตอบด้วยอาการงันงกอีกตั้งหลายปีกว่าจะได้กินพระราชาร้องบอกเออข้าไม่ได้ปลูกไว้กินเองดอก ข้าปลูกเพื่อคนอื่นพ่อเท่าตอบท่านนี่ช่างเป็นคนแสนประเสริฐเลือกเกินอา้าวเราให้ทองท่านหนึ่งถุงเป็นรางวัลโอ้มาม่วงของข้านี่ให้ผลช่างมหาศจรรัรยิ่งนะักข้าเพียงขุดหลุมเท่านั้นก็ได้ท้องถึงหนึ่งถุงเชี่ยวหรือนี่พระราชาได้ยินดังนั้น ก็ชอบพระไทยประทานทองคำถุงที่สองให้อีกโอ้พ่อมหาจำเริญข้าเสียดายจริงๆเสียดายอะไรหรือพ่อเทาพระราชาย้อนถามนี่ท่าข้าปลูกเสี้ยตั้งแต่ตอนหนุ่มๆข้าก็มีผลมะม่วงมอบให้ทันแล้วข้าคิดช้าไปจริงๆ พระราชาได้ยินพ่อเท่าพูดดังนั้นจึงหยิบทองถุงสุดท้ายให้พ่อเท่าพร้อมกับพูดว่าเราไปละพระคืนอยู่ต่อไปเราก็ไม่มีทองถุงที่สีให้ท่านอีกแล้วอย่าดีแต่คิดจงคิดแต่ดีอย่าดีแต่พูดจงพูดแต่ดีอย่าดีแต่ทาจงทําแต่ดี และลงมือทำเดี่ยวนี้